ท่านผู้เป็นอาคันตุกะทั้งหลายแห <c oughs> บรรดาที่ประชุมกันอยู่ในที่นี้ว <c oughs> ัดนี้เป็นโอกาสกำหนดไว้สํสำหรับจะมีการพูดจากัน <c oughs> แล้วก็บังเอิญมา <c oughs> รอมกันหลายระดับ <c oughs> เป็นชนชั้นทางจิตใจทางวิญญาณก <c oughs> ็จะต้องพูดชนิดที่มีประโยชน์หรือเกี่ยวข้องด้วยทุกระดับจึงจะได้ <c oughs> ถ้าพูดถึงระดับตามระดับ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 จะไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้จะมีประโยชน์น้อยเกินไปก็ได้ <c oughs> ไม่คุ้มค่ามา <c oughs> จึงขอให้ทุกคนอาจจะเด็กตัวเล็กที่สุด <c oughs> ก็พยายามฟังให้ดีความหมายให้ได้ <c oughs> ถ้าสู้ไม่ไหวก็หลับไปซะเลย <c oughs> จะได้หมดปัญหาเดี๋ยวนี้เรามานั่งกันกลางดินข้อแรกที่สุดก็อยากจะพูดเรื่องกลางดิน เพราะเชื่อว่าหลายคนทีเดียวยังไม่รู้ความหมายของคำว่ากลางดินแล้วก็มีความรู้สึกคิดนึกชนิดที่ไม่ชอบนั่งกลางดินชอบนั่งบนในที่ที่จัดตกแตง่งว้อย่างที่เคยนั่งมาจนเคยชินเป็นนิสัย พอให้มานั่งกลางดินนี่ก็รู้สึกว่าเป็นการ <c oughs> ลดอะไรกันมากทีเดียวก็หงุดหงิดเสี ย, ยก่อนแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องนี่แน่นอนจึงอยากจะพูดเรื่องนั่งกลางดินนี่ให้หมดปัญหาไปเสียทีก่อนโดยให้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้นั่งกลางดิน มาที่สวนโมกได้มีโอกาสนั่งกลางดินถ้าไปที่อื่นอาจจะไม่ได้นั่งโดยโดยตัวๆัวไปไม่ได้นั่งหรอกนั่งกลางดิน <c oughs> เดี๋ยวนี้เรามีที่นั่งกลางดินไว้สำหรับให้นั่งด้วยเจตนาเนี่ยเจตนา <c oughs> ใจมีที่นั่งกลางดินให้ท่านทั้งหลายนั่งกลางดิน ในรูปความหมายการนั่งกลางดินให้ดีนั่ก็มีจิตใจเข้ากันได้กับเรื่องนั่งกลางดิน <c oughs> ก็จะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมะหรือพระพุทธศาสนา <c oughs> <c oughs> พูดคราวเดียวหมด ก็พูดว่าพุทธศาสนามันเกิดกลางดินเกิดจากดินพระพุทธเจ้าประสูตกลางดินแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้กลางดินนั่งกลางดินเพื่อตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้ในมหาวิทยาลัยถ้าตรัสรู้ในมหาวิทยาลัยก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่กําลังเป็นอยู่ยูนิท่านนั่งกลางดินตรัสรู้ กลางดินแล้วก็มีโอกาสไปเที่ยวสั่งสอนก็นั่งกลางดินที่อยู่อาศัยของท่านก็พื้นดินแล้ในที่สุดท่านก็อนิพานคือตายกลางดินนั่นน่ะนึกถึงข้อนี้ก่อนสิว่าเกิดกลางดินจัตุร้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินตายกลางดินน้ำทัศน์ใจปดกที่เป็นคำสอนทั้งหมดมันก็เกิดมาจากดิน เกิมาจากการ น, นั่งกลางดินแล้วสัตว์รู้แล้วก็ได้สอน ส, สืบต่อกันมาแล้เป็นที่เชื่อได้ไว่าทํานั่งทําสังขยานาร้อยหลายรอย้อยองค์นั่งก็นั่งกลางดินทไปดูที่ที่อินเดียเราเห็นได้ชาติว่านั่งทำกลางดินตรงหน้าถ้ำ <c oughs> นี่มันเป็นเรื่องของกลางดินที่นี่มองอีกแง่หนึ่ง ธรรมะธรรมะนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นความรู้เรื่องตัวธรรมชาติก็มีเป็นความรู้เรื่องกฎของธรรมชาติก็มีเป็นความรู้เรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็มีเป็นเรื่องผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยตรงธรรมะคือ เ, เรื่องธรรมชาติ เมื่ออยากจะรู้จักหรือเข้าถึงธรรมชาติต้องอยู่กับธรรมชาติดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงจะสูตรกลางดินจัตสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินตายกลางดินเพื่อมันใกล้ชิดกับธรรมชาติเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องการอย่างนั้นคิดดูเองก็แล้วกัน ใครกี่คนที่อยากนั่งกลางดินก็ อ, อยากจะไปนั่งในสถานสวยงามเริงรมอะไรต่างๆหรือว่าอยากจะไปอยู่บนสวรรค์วิมานที่มันมีความหมายอย่างสวรรค์วิมานก็ไม่ชอบธรรมชาติไม่ชอบการนั่งกลางดินเพื่อเป็นเกลอกับธรรมชาติ เดี๋ยวนี้มันนั่งกลางดินอย่างนี้ก็ควรจะรู้สึกว่ามาเป็นเกลอกับธรรมชาติเมื่อมาอยู่กับธรรมชาติจิตใจมันเหมาะสมที่จะรู้จักธรรมชาติซึ่งเป็นในพื้นฐานของธรรมะทั้งหลายคือเรื่องธรรมชาติเนี่ยจึง ควรจะสนใจเรื่องกลางดินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มานั่งกลางดินขอทำในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประศุตกลางดินสัตรูกลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินตายกลางดินถ้าทำได้มันก็เป็นพุทธานุสติซึ่งเป็นกรรมฐาน ชนิดหนึ่งอย่างยิ่งเลยพุทธานุสติระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยทุกแง่ทุกมุม <c oughs> ย้อนนี่มากกว่าระลึกถึงเรู้สึกรู้สึกรู้สึกเอาได้ว่าเมื่ออยู่กลางดินเหมือนนั่งกลางดินนั่นจิตใจรู้สึกอย่างไร <c oughs> เมื่อพุ้งอยู่ที่กรุงเทพนี่มจิตใจมันเป็นอย่างไร เนื้อต้องมานั่งกลางดินอย่างนี้จิตใจมันเป็นอย่างไรถ้าสามารถเปรียบเทียบกันได้นั่นแหละจะเป็นกรรมฐานถึงพุทธานุสติว่าพระพุทธเจ้าท่านมีจิตใจเป็นอย่างไรก็จะพลอยให้ได้รู้ไปถึงการตรัสรู้ของพระองค์รู้ถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ เราก็จะสามารถนำเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เนี่เป็นเรื่องของคนนั่งกลางดินไม่ใช่เรื่องของคนที่จะรู้ราสนุสนานอยู่บนที่ที่สาหรับสนุสนานไม่ใช่เรื่องคนโม่ตามแบบของคนหนุ่ม ที่สำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยไม่ได้สำเร็จการศึกษามาจากกลางดินเหมือนพระพุทธเจ้าถึงยังไงยังไงก็ต้องเปรียบกันแล้ววันนี้ว่าคนที่ศึกษามาจากกลางดินกับที่ศึกษามาจากมหาวิทยาลัยนั่นน่ะมันรู้อะไรต่างกันอย่างไรอย่า ลำเอียงอย่าเข้าข้างตัวหรือยาอะไรหมดแล้วก็ไปเปรียบเทียบกันดูว่าเรื่องที่เราศึกษาจากโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลนะัยนั้นมันเรื่องอะไรมันเพื่ออะไรและในที่สุดมันให้ผลอย่างไร <c oughs> ทีนนี่ถ้าจะมาศึกษาเรื่องกลางดินเรื่องที่เกิดขึ้นกลางดิน อย่างพระพุทธเจ้าตัสรู้ขึ้นมาอย่างนี้จากธรรมชาติทั้งหลายอย่างนี้มันต่างกันอย่างไร <c oughs> ทำไมจึงมาต้องศึกษาเรื่องวิชาความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษากลางดินของพระพุทธเจ้าหรือของสาวกทั้งหลาย <c oughs> ทำไมจึงต้องมาศึกษาความรู้ชนิดนี้ไม่ยุติอยู่เพียงแค่ศึกษาในมห า, หาวิทยาลัยเป็นปริญญาเอกเป็นอะไรแล้วมันก็พอกันทำไมจึงไม่คิดอย่างนั้นเดี๋ยวนี้โดยการนั่งกลางดินนี่แหละขอให้ทำในใจดีว่าจิตของคนที่นั่งกลางดิน คนที่นั่งอยู่บนหญ้าบนเดือนบนในที่ประดับประดาตกแต่งบนอาคารไม่บนอาคารเรียนราคาล้านล้านนนนั่งอยู่บนนั่นจิตใจเป็นอย่างไรก็มันนั่งอยู่กลางดินอย่างนี้จิตใจเป็นอย่างไร <S <S ลองเปรียบเทียบกันดู <S <S โดยหลักทั่วไปที่มีอยู่ว่าจิตใจไหนจะเย็นกว่า จิต ใ, ใจไหนจะเป็นอิสระกว่าจิต ใ, ใจไหนแ จ, จ่รู้ธรรมชาติได้จริงกว่าอย่างนี้เป็นต้นท่า <c> น <oughs> ในที่สุดก็จะรู้ได้ว่าความรู้อะไรที่เรายังขาดอยู่หรือที่มนุษย์มันยังขาดอยู่มัน <c oughs> ก็รู้ได้จากการที่ความเลวร้ายในโลกมันยังมีอยู่เพียงไร ก็เป็นั้นกล่าวได้ว่ามันยังขาดความรู้ที่ควรจะรู้อยู่เพ <Qiao> ียงนั้นทั่วโลกการศึกษาทั่วทั้งโลกมันไม่ขจัดความเลวร้ายในโลกออกไปได้เพราะว่าการศึกษานั้นมันขาดความรู้ที่ถูกต้องและจำเป็นสําหรับจะขจัดความเลวร้ายเหล่านั้นมันจะนึกได้อย่างนี้ก็จะวิ่งมากลางดินวิ่งลงมานั่งกลางดิน สนใจเรื่องกลางดินอของพระกุทธเจ้าอะไรเป็นอันว่าเรื่องแรกที่สุดคือเรื่องนั่งกลางดินในฐานะที่มีที่นั่งกลางดินเป็นเครื่องต้อนรับท่านทั้งหลายไม่มีเก้าอี้ให้นั่งไม่มีพรมให้นั่งไม่มีอะไรให้นั่งมีแต่กลางดินให้นั่ง ตอนรับในทางวัตถุหรือในทางอามิธเนี่ยต่ำสุดเลยไม่มีอะไรต่ำกว่า น, นี้ <c oughs> เรามีหลักว่าอยู่ต่าๆนี่แหละมันจะไปสูงถ้าอยู่สูงแล้วมันก็มีแต่จะตกลงมาต่านันเป็นอยู่อย่างต่ำเนี่ยมันจะได้มีการกระทำหรือการเป็นไปอย่างสูงสูงสูงขึ้นไป จงตั้งต้นการศึกษาด้วยการนั่งกลางดินเพื่อว่าจะได้รู้จักพื้นฐานหรือราก ฐ, ฐานต่ำสุดของสิ่งทั้งปวงแล้วก็จะได้รู้ไปต่อขึ้นไปตามลำดับตามลำดับ <c oughs> อย่าหาว่าท้าทาย แต่ก็อยากจะพูดว่าให้มันเรียนกันจบปริญญาเอกในโลกทั้งโลกแล้วมันก็ยังโง่อยู่นั่นแหละเพราะมันไม่ได้นั่งกลางดินคอยมาันานั่งกลางดินเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้กฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติผลที่เกิดจากหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็เห็นด้วย ในการมาของท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้โดยี่เชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้สึกว่ามันยังขาดความรู้ชนิดกลางดิน <c oughs> จึงต้องมาที่นี่แลวก็มานั่งกลางดินเป็นเกลือกับธรรมชาติเป็นเกลอกืกลอกับต้นไม้ตน้นไายก้อนหินดินทรายเหล่านี้ ซึ่ล้วนแต่สอนทั้งนั้นอืแต่ว่าคนมันหูหนวกตาบอดจะเองมันไม่ได้ยินว่าธรรมชาติสอนอย่างไรธรรมชาติทั้งหลายแล้วเนี่ยมันสอนแสดงความเปลี่ยนแปลงว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแป ล, ง ใ, ป ล, ปลงให้ดูด้วยเปลี่ยนแปลงให้ดูด้วย ไอ้คนมันก็ตาบอดมันก็ไม่เห็นในความไม่เที่ยงหรืออนิจจังทองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือมันส่งเสียงร้องตะโกนเป็นไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอย่าหลงไหลกันนักอย่าบ้ากันนักอย่างนี้เป็นต้นคนมันก็ไม่ได้ยินมันก็ยังหลงไหลกันอยู่นั่นแหละแล้วมันก็มากไปในความหลงไหลในโลกในสังคมนี่มันก็มากไปในความหลงไหล มันจึงหาความสงบสุขไม่ได้ <c oughs> ยิ่งเรียนมันก็ยิ่งไม่รู้เรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ได้เรียนเรื่องนี้ <c oughs> การเล่าเรียนในโลกนะมันไม่ได้เรียนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงมันเรียนแต่เรื่องจะสร้างนั่นสร้างนี่ทำนั่นทำนี่ กินอยู่เป็นอยู่กันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยได้ยินคําว่าอนิจจังทุกครั้งอนัตตาในระบบการศึกษาของคนในโลกชันก้นสูงสุดกระทั่งชั้นสูงสุดที่ว่อุตสาหไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาเรียนจบแล้วไม่เคยได้ยินคําว่าอนัตตาอนิจจังเป็นต้น จึงเป็นการสมควรที่ว่าจะต้องเรียนศึกษาเรื่องที่กำลังขาดอยู่กาลังขาดอยู่ <c oughs> ที่ไม่เคยเรียนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้เรียนเรื่องอนิจจงทุกครั้งอนัตตาเป็นเรื่องความจริงของธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้น แล้วมันแสดงอาการอย่างนั้นให้เห็นอยู่และคล้ายๆกับว่ามันตะโกนบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้เข้าใจมันก็ทำไปในทางที่มันตรงกันข้ามมันกลับตรงกันข้ามอย่างที่ทำอยู่เดียวนี่นก็ทาอย่างกับว่า เป็นนิจจังเป็นของเที่ยงได้อย่างต้องการเป็นสุขไม่ไม่เป็นทุกข์เราเป็นอัตตาคือได้เป็นตัวกูได้เป็นของกูตามที่กูต้องการมันคิดนึกมันรู้สึกอยู่แต่อย่างนี้เพราะไม่ได้เรียนใ้ความรู้ที่เป็นเรื่องจริงของธรรมชาติอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สัจสรู้แล้วก็ได้นำมาสอน เมื่อไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งฟวงนี่เป็นอย่างไรชีวิตจิตใจเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรมันก็ปฏิบัติผิดต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยยิ่งโตขึ้นมายิ่งโง่ยิ่งโตขึ้นมายิ่งโง่ยิ่งเกิดมาจากท้องแม่ะยังไม่ทันจะโง่ีล้วก็ยิ่งโตยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งโง่ยิ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่บางทีก็ยิ่งโง่ ยิ่งลง้มและยิ่งทำผิดในสิ่งทั้งพวงที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พูดเรื่องเด็กกันทีก่อนถ้าเด็กๆจะฟังบ้างก็จะดีจะมีประโยชน์ว่าอยู่ในท้องแม่คิดนึกอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ไม่รู้จักความหมายแห่งความทุกข์ แล้วก็ไม่มีกิเลสไม่มีความผิดไม่มีความถูกไม่มีความดีไม่มีความชั่วไม่มีอะไรอยู่ในท้องแม่เพราะว่าอวัยวะต่างๆของไอ้ทารกที่ยังไม่เป็นไม่เป็นทารกแรกเป็นสัตว์อยู่ในคันตอนแรกๆนะไม่ไม่มีทางที่จะรู้สึกทางอะไรได้เลย จนกว่าจะโตขอ้มาจะคลอดจากท้องแม่อวัยวะต่างๆก็เริ่มทำงานได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ถึงกับคิดนึกให้เป็นกิเลสได้เด็กคลอดมาจากท้องแม่แ ต, ตาก็เห็นได้หูก็ได้ยินได้จมูกก็ได้กลิ่นได้หูลิ้นก็รู้รสได้ผิวหนังก็รู้สัมผัสได้จิตก็พอรู้สึกได้แต่ยัง ไม่ได้คิดคิดไม่เป็นคิดไม่ได้คิดให้เป็นกิเลสเป็นทุกข์ไม่ได้คิดให้เป็นความดีความชั่วไม่ได้มันไม่รู้จักว่าดีว่าชั่วเนี่ยเด็กทารกคลอดมาไม่รู้จักว่าดีว่าชั่วแต่เมื่อคลอดมาแล้วนี่ <c oughs> เวลาล่วงมาล่วงมาไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันทำหน้าที่ได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนตารู้จักของสวยของไม่สวยจนหูรู้จักของไพเราะหรือไม่ไพเราะจมูกรู้จักตื่นหอมหรือไม่หอมลิ้นรู้จักรสอร่อยหรือไม่อร่อยผิวหนังรู้จักความนิ่มนวลหรือความแข็งกระด้าง จิตก็มีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจขึ้นมาเด็กต้องมีอายุหลายวันหรือหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก็สุดแท้จึงจะค่อยๆมีความรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วก็ค่อยๆมีความคิดนึกที่เป็นกิเลสและเป็นทุกข์ มันคือมันรู้จักพอใจและไม่พอใจขึ้นมาแรกลอดมาใหม่ๆไม่รู้จักพอใจหรือไม่พอใจยินดียินร้อะไรไม่ไม่รู้แต่แล้วก็ค่อยๆรู้ก็ค่อยรู้ขึ้นมาเขอรู้ยังรู้เรื่องอร่อยไม่อร่อยกินนมแม่หรือกินอะไรต่างมันก็กค่อยรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันรู้จักแยกแยะ ออกเป็นความรู้สึกสองฝ่ายคือน่ารักไม่น่ารักน่ายินดีไม่น่ายินดีนี่มันก็หลงรักหรือหลงไม่รักหรือหลงยินดีหรือหลงไม่ยินดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่คือยิ่งโตยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งโง่โง่คือไปหลงรักไอ้ที่มันน่ารักไปหลงเกลียดไอ้ที่มันน่าเกลียด พอใจไม่พอใจโกรธบ้างกลัวบ้างอะไรบ้างหาความรู้สึกเหล่านี้ก็มีขึ้นมีขึ้นเนี่ก็ยิ่งโตมันยิ่งโง่จนเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ยิ่งโง่คือมันยิ่งหลงรักและหลงเกลียดมากกว่าแต่ก่อนให้เทียบเพียงกันดูคนวัยรุ่น่ะเด็กวัยรุ่นจะต้องรู้สัตว์รู้จักเอง พอใจไม่พอใจเรื่องรักเรื่องโกรธมากกว่าเด็กทารกที่คนหนุ่มสาวก็ยิงรู้จักมากเต็มขีดเต็มอัตราที่จะรู้จักพอใจหรือไม่พอใจหลงรักหรือหลงเกลียดหรือหลงโกรธหรือหลงกลัวหรือหลงวิตกกังวลอาลัยอาวร อ, อาฆาตอิจฉาริสสยามันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นซึ่งก่อนนี้มันไม่มีนี่เพราะว่ามันไม่มีความรู้มาแต่ในท้อง ถ้พอเกิดมาก็ใครสอนไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เดาไม่เรียกว่าเดาแต่มันเหมือนกับเดาเมันรู้สึกขึ้นมาเองตามธรรมชาติเพราะอร่อยก็ชอบใจไม่อร่อยก็ไม่ชอบใจี่มันก็รู้จักแยกแยะเป็นอร่อยหรือเป็นไม่อร่อยแมันรู้จักแยกแยะหมดทางตามันก็รู้จักแยกแยะเป็นสวยหรือไม่สวย ได้รับการอบรมให้โง่มากยิ่งขึ้นอีกสวยอย่างพิถีพิถันด้วยความโง่นั้นก็มีต่างหากทีนี้ทางหูไพเราะหรือไม่ไพเราะขับกลอมกันมาตั้งแต่เล็กมันก็รู้จักแยกแยะเป็นเสียงอย่างนั้นเป็นเสียงอย่างนี้ไพเราะไม่ไพเราะมันก็รู้จักรักที่ไพเราะเกลียดที่ไม่ไพ่ไม่ไพเราะมันจะหมูก็รู้เรื่องหอมเรื่องเหม็นไอ้ลิ้นก็รู้เรื่องอร่อยไม่อร่อย ไอ้ผิวหนังก็รู้เรื่องนิ่มนวลอ่อนโยนกับแข็งกระด้างเนี่ยจนรู้สึกหลงไหลไปในทางฝ่ายหนึ่งแล้วเกลียดชังในทางฝ่ายหนึ่งทางจิตกรรมการก็รู้จักพอใจและไม่พอใจแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยยิ่งโตยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งโง่เพราะว่าความลุ่มหลงของคนที่โตแล้วมันมากกว่าของเด็กๆนะ คิดดูไปดีอ่ะไอ้ความที่ไปลุ่มหลงหลงรักหลงเกลียดหลงโกรธหลงอะไรก็ตามของคนที่โตแล้วมันมากกว่าของเด็กๆเนี่นมันมากขึ้นตามตัวนั่จึงก็ยิ่งโตยิ่งโง่นันจึงมาเป็นคนโตเต็มขนาดเนี่ยสําหรับจะรู้สึกรุนแรงในทางเรื่องรักเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องกลัว เรื่องวิตกกังวลอาไลาอาวรอิจฉาริษยาหึงหวงจนเป็นคนนอนหลับยากยิ่งอายุมากข้าวมันยิ่งมีความรู้สึกรุนแรงมากจนเป็นคนนอนหลับยาก <c oughs> <c oughs> ก็ตายข้าวลงมันก็ไม่ได้พบกับจิตชนิดที่มันเกลี้ยงชนิดที่มันเกลี้ยง จิตชนิดที่ไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่มีตกกังวลไม่อาัยอาวอนไม่อิจาริสัญาไม่ไม่หวงไม่อะไรต่างๆไม่เคยพบไม่เคยพบตรงนี้เอจะต้องดูให้ดีว่าเราเรียนพุทธศาสนาทาไมเรียนธรรมะทำไมเพราะเราไม่เคยพบกับจิตชนิดที่เกลี้ยงที่ว่างที่เย็นที่อิสระ เราเคยพบแต่จิตชนิดที่อย่างที่ว่านะรักโกรธเกลียดกลัวเร่าร้อนแล้วก็สกรปรกมืดมัวเป็นเป็นกิเลสไปแล้วก็ไม่เป็นอิสระคือเป็นาธาตนะุของสิ่งที่มากระทบ <c oughs> บางคนจะฟังไม่ถูกว่าเป็นาธาตุของสิ่งที่มากระทบเนะถ้ามันมากระทบสหรับให้รักก็เป็นาธาตุอย่างเป็นของรัก ถ้ามากระทบให้โกรธให้กลัวก็เป็นธาตุอย่างสำหรับจะโกรธสำหรับจะกลัวมันปลดออกไปไม่ได้มันก็คงค ง, คงเป็นธาตุนี่มันจึงเป็นธาตุของสิ่งที่ทําให้รักโกรธเตียดกลัววิตกกังวลอาไลอาวอาไม่มีอิสราภาพไม่มีเสรีภาพจิตตกเป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้นจนมีความทุกข์อยู่เสมอ <c oughs> ที่พูดเรื่องเสรีภาพทางการเมืองนั่นคนละเรื่องเสรีภาพสมมติว่าเสรีภาพทางเอกกราชทางการเมืองทางนั้นมันเสรีภาพทางฝ่ายด้านนอกแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าเอาเองส่วนที่เป็นธาตุอย่างยิ่งอยู่ในภายในเป็นธาตุของกิเลสนั่นนะแต่ไม่รู้จับเที่ยวกันยังไง จเจ้ากันยางต่อไปก็ได้จนตายเข้าโรงมันก็ได้ก็เป็นคนธรรมดาเรียกว่าเป็นบุตรชนแต่ถ้าจะเป็นคนลืมหูลืมตาตามแบบของพระอริยเจ้าหรือของพระพุทธเจ้าแล้วมันต้องมาศึกษากันใหม่ศึกษาจนรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามหมด มีจิตใจเล่าร้อนโดยความทุกข์มีจิตใจมืดมัวโดยอวิชชามีจิตใจสกรปรกโด ย, โด ย, โด ย, โดยกิเลสมีจิตใจเป็นธาตุเพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งที่มันจะเกิดมาสวยเกิดมารวยเกิดมาเป็นอย่างไรก็ตาม มันจะมีทรัพย์สมบัติพัตฒถานเหมือนกับแพ่งกับพวกเทวดาได้มันก็ยังมีจิตอย่างนี้ไปดูคนธรรมดาเถอะมันก็จะมีจิตรักโกรธเปลียดตัววิตกกังวลอะไร อ, อาวรลชาติยาอย่างนี้มันก็มีจิตใจชนิดที่เล่าร่อนมืดมนเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของอารมณ์ทางตาทางหูทางจามูกทางลิ้นทางกายทางใจ แล้วมันก็ได้ทะเลวิวาดฆ่าฟันกันเพราะเหตุอย่างนี้อันพานทั้งหลายที่มันทำอันพานเลวร้ายเนี่ยเพราะมันหลงในสิ่งเหล่านี้หรืออันพานครอบโลกรบกันระหว่างโลกระหว่างชาติแลระหว่างโลกมันก็เพราะว่ามันหลงในการที่มันจะได้สิ่งเหล่านี้เป็นของตนโดยหมดทั้งโลกในความโง่ ของคนทําให้เกิดผลร้ายจนเกาดทำให้โลกนี้ปันป่วนวิปริตไปทั้งโลกแล้วเราก็อยู่ในโลกชนิดนั้น ไ, ได้ไม่ต้องรู้สึกสํานึกและไม่มีความคิดว่าจะทําอย่างไรจึงจะพ้นออกมาเสียจากโลกชนิดนั้นนีถ้าใครต้องการจะพ้นออกมาเสียจากโลกชนิดนั้นนั่นแหละ ก็จะเกิดความต้องการความรู้ของพระพุทธเจ้าจะสแสวงหาธรรมะซึ่งเป็นการตั้รูปของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาทำจิตใจกันเสียใหม่อย่าให้มันเลวร้ายถึงขนาดนั้นอย่าให้มันโง่ถึงขนาดนั้นอย่าให้มันเป็นทุกข์ถึงขนาดนั้นอย่าให้มันราวร้อนถึงขนาดนั้นอย่าให้มันมืดมัวถึงขนาดนั้น <c oughs> เป็นชีวิตที่เป็นอิสระและเบาสบายเดี๋ยวนี้มันรู้จักแต่เรื่องทางข้างนอกเรื่องเสรีภาพอย่างโลกโลกแต่ไอความเป็นทาตอย่างเลวร้ายข้างในเมันไม่สนใจเลยจะเสียเสรีภาพอะไรสักนิดหนึ่งข้างนอกแล้วมันก็พูดกันใหญ่โตเป็นวัฒเป็นเวรมัน มันสงวนสิทธิมนุษยชนความเป็นธรรมอะไรของมันอย่างท่วมหัวท่วมหูเลยแต่มันไม่ดูในตัวมันเองมันมันสูญเสียสิทธิยิ่งกว่าของมนุษย์อีกเป็นาธาตุของกิเลสยิ่งกว่าอะไรเสียอีกมันก็ไม่พูดสักคำหนึ่งนี่มันมองรู้กันแต่เรื่องข้างนอก แล้วพวกคนหนุ่มๆเดียวนี่ก็อชอบอ้างถึงเรื่องจะพิทักษสิทธิมนุษยชนอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่ไม่ดูตัวเองนั้นไม่มีความเสรีภาพอะไรแม้แต่นิดเดียวอยู่ข้างในถ้าต้องการจะได้เสรีภาพหรือชีวิตที่สงบเย็นเป็นอิสระหรือเป็นชีวิตที่ เบาสบายแล้วก็นั่นไงจะต้องนึก <c oughs> ถึงพระพุทธเจ้านราจะวิ่งไปหาความรู้ของพระพุทธเจ้า <c oughs> ผู้เกิดกลางดินตัศรุกลางดินสอนกลางดินเป็นอยู่กลางดินตายกลางดิน <c oughs> ที่เคยถูกคนจํานวนหนึ่งหาว่าไร้สาระดูถูก ศึกษาดูถูกการศึกษาธรรมะในพุทธศาสนาว่าไร้สาระไปเรียนมหาวิทยาลายัยไปเรียนเมืองนอกเมืองนาไปเรียนอะไรกันอย่างนั้นะวิเศษประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าสิ่งใดนี่ mm hmm. ถ้ามันมารู้เห็นผลสุดท้ายของการศึกษาแบบโลกโลกแลวว่ามันไม่มีอะไรนอกจากไปเพิ่มให้มันโง่ลึกขึ้นไปอีกให้มันมีความทุกข์ ลึกลงไปอีกให้มันเสียอิสรภาพลึกลงไปอีกจนดูไม่่อยออกนี่นั่นแหละก็จะออกมาเป็นคนมีชีวิตอยู่ในระดับนั้นมีภาระหนักของชีวิต <c oughs> เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยภาระหนักหนักไปทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแหละแม้แต่เรื่องจะเป็นอยู่เรื่องร่างกายของตัวเองเนี่ย ก็เป็นภาระหนักจากทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของเรื่องบุตรภรรยาสามีอะไรก็เป็นภาระหนักเรื่องเกี่ยวกับสังคมก็เป็นภาระหนักทุกอย่างเป็นภาระหนักเป็นของหนักรวมทัพจิตใจเนี่ยเป็นกันอย่างนี้จนตายนี่เขาเรียกว่าบุตรชนถ้าเมื่อใดใครสามารถลดลงภาระหนักนี่น้อยลงน้อยลงลดลงลดลงจนไม่หนัก จนเบาฟิวได้อย่างเป็นสุขสบายและมีประโยชน์ที่สุดนั่นแนหะก็เรียกว่ามนุษย์ที่เป็นพระอระหันต์เป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์เลยแล้วคนคนมีประโยชน์ที่สุดนั่นนะคือเป็นพระอระหันต์ตรงกันข้ามกับบุตรชนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ <c oughs> เป็นชีวิตที่หนักเป็นชีวิตที่แบกภาระหนัก โยก็ชวนกันลงอยู่ในภาวะอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของอจมอยู่ในกองทุกจมอยู่ในวัฏฏะสงสารนั่นแหะคืออย่างนั้นนะพวกคุณอย่าไปดูถูกคาว่าวัฏฏะสงสารหรือคำว่ากิเลสหรือความทุกโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร <c oughs> ถ้าคุณไปรู้เรื่อง คำว่าวัตถะสงสารหรือกิเลสหรความทุกข์ก็อย่างดีแล้วจะรู้สึกเป็นภาระหน้าที่ทันทีที่จะต้องศึกษาเพื่อกระจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเสียให้มีชีวิตชนิดที่ไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในวัตะสงสารคือความทุกข์ทุกชนิดอย่างที่ว่ามาแล้วมีชีวิตใหม่มีจิตใจใหม่ อย่างที่ตามมาแล้วล่ะมันไม่มืดด้วยความโง่มันไม่ร้อนด้วยความทุกข์มันไม่สกรปรกด้วยกิเลสแล้วก็มันไม่เป็นาธาตุของสิ่งใดๆดด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็จะเป็นอย่างไรจิตใจชนิดนี้จะเป็นอย่างไรข้อยลองคิดดูถ้าว่าทุกคนเป็นได้อย่างนี้โลกนี้จะเป็นอย่างไร มันก็ไม่รู้จักความทุกข์เท่านั้นเองไม่รู้จักคําว่าความทุกข์ให้ความทุกข์นี่มันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนบ้างเป็นของตนบ้างถ้าเดือดจัดขึ้นมาก็เป็นตัวกูบ้างเป็นของกูบ้างความรู้สึกอะไรที่มันมีความหมายมีลักษณะเป็นตัวกูของกูด้วยมันห น, นักเท่าไรมันร้อนเท่าไรมันสกรปรกเท่าไรมัน เขาลนเท่าไรไปรู้กันให้ดีๆทาอย่างไรจึงจะไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือตัวตัวธรรมะตัวพุทธศาสนาที่จะตอบให้รู้ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นอย่างนั้ น, น, ค, รร น, น, น, นคือเป็นชีวิตที่ไม่มีไม่มีความหนักไม่มีความร้อนไม่มีความมืดไม่มีความสกปรกไม่มีความเป็นาธาตุของสิ่งใดมีแต่อิสระเสรีนี่ ถ้าจะสอนถ้าจะเรียนกันก็ควรจะเรียนเรื่องนี้ถ้าจะสอนกันก็ควรจะสอนเรื่องนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ถ้าเราจะเรียนอะไรกันบ้างก็เรียนเรื่องนี้เรื่องออกมาจากกองทุกนี่ถ้าจะสอนอะไรกันบ้างก็จะต้องสอนเรื่องออกมาจากกองทุกเดี๋ยวนี้เราเรียนเพ่อเจ้อสอนเพ่อเจ้อพูดเพ้อเจ้อโคดสนาเพ่อเจ้อประกาศอะไรอะไรต่างๆมันเพอเจ้อมันไม่เข้ามาในวงของการที่จะ อกําจัดในความทุกข์เหล่านี้นี่โลกนี้มันก็ ย, ยิ่งเต็มไปด้วยเอปัญหาวิกิตะก า, ารคือความทุกข์จนดูดูเป็นของธรรมดากันไปทัหมดนะจนไม่มีใครละอายใครร่อมเป็นอย่างเดียวกันไปทั้งหมดหรือเป็นทุกข์เหมือนกันหมดเป็นธาตุเหมือนกันไปหมดมีกิเลสเหมือนกันไปหมดจนไม่ต้องรู้จักละอายใคร ถ้าจะ <c oughs> คิดว่าเกิดมาทีไม่เสียชาติเกิดจะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วก็ต้องศึกษากันใหม่หละมีการศึกษากันใหม่ให้รู้ทั้งสองทางทั้งสองฝ่ายแล้วก็เลือกเอาฝ่ายที่มันอิสระหรือหลุดพ้นก็เรียกว่าหลุดพ้นคำว่าวิมุตติหลุดพ้นไม่ใช่คาพูดของคนโง่โ ง, ง่ที่เด็กสมัยนี้จะเอาไปเล่าเล่น มันเป็นคําที่มีความหมายลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์ที่มีสติปัญญาที่สุดที่จะทำชีวิตจิตใจนี้มันหลุดพ้นจากการบีบบังคับครอบงำย่มยีเผาล้นในของกิเลสหรือของสิ่งซึ่งเป็นความทุกข์เดี๋ยวก็จะหาว่าดีเกินไปเสือเอ้เอเสอีกถ้าไม่มีความทุกข์ ลหลายหลายค น, นยังชอบความทุกข์ยังชอบสนุกเลยการร้องไห้มันเป็นคนบ้าชนิดหนึ่งมันเป็นความบ้าทาง จ, จิตใจทางการมารมณ์ชนิดนั่นแล้วก็มีมันยังชอบความทุกข์อยากจะอยู่ด้วยความทุกข์ไม่อยากจะหมดจดจากความทุกข์อย่างนี้มันก็ยังมีเพราะมันไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นเป็นอย่างไร <c oughs> ถ้าว่าจะเอากันถึงขนาดที่ พุทธศาสนาต้องการแล้วก็ต้องไม่เป็นทุกข์เราต้องไม่เป็นทุกข์และเป็นคนมีประโยชน์ที่สุดเ้ า, ถ, า, เ ถ, าถ้าท่าเลยถ้าถ้าทายเลยทุกคนไปคิดเอาเองไปคิดเอาเองไปคิดเอาเองไปจนกว่าจะพบว่าทําอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์และมีประโยชน์ที่สุดไปคิดเอาเองไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าไม่ต้องพึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ทุกคนไปคิดเราเองว่าทําอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์แล้วก็อยู่อย่างไม่เป็นทุกข์แล้วเป็นคนมีประโยชน์ที่สุดนั่นแหละถูกแล้วนะจะตรงตามที่พระพุทธเจ้าประสงค์ตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนตามที่พระพุทธเจ้ า, ช, าช่วยสัตว์โลกให้มันพ้นทุกข์นันคืออย่างนั้นอย่าให้ในชีวิตนี้มันมีความทุกข์เลยแล้วพร้อมกันนั่นให้มันมีแต่การทําประโยชน์เป็นประโยชน์แก่ทุกคนแนละทุกฝ่าย อ้าทีนี้ก็พูดกันทึ้งตัวพุทธศาสตร์สนาตัวธรรมะแท้ว่าทําอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์เลยทําอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์เลยนี่ข้อแรกถ้าทําอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีประโยชน์ที่สุดค่อยว่าทีหลังไอ้ความทุกข์มันเกิดมาจากความโง่เป็นข้อแรก เป็นลำดับมาโง่เป็นลำดับมาเป็นลำดับมาจนเกิดความยึดมัน่นถือมัน่นหมายมันเป็นไอตัวตนเป็นของตนแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนกันในเรื่องของเด็กทารกที่เล่ามาแล้วตะกี้นี่นะ <c oughs> เกิดมาจากทของแม่ไม่มีความทุกข์คิดให้เป็นความทุกข์ไม่เป็นจนกว่าเด็กคนนั้นจะได้ไปเที่ยวสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไร รู้จักของอร่อยไม่อร่อยของพอใจไม่น่าพอใจเ้วจนหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นมันจึงจะเป็นทุกข์ต้องอาศัยความโง่หรืออาวิชามากถึงขนาดนั้นมันจึงจะเป็นความทุกข์จะพูดโดยหลักสั้นนิดนึงก็ได้จะฟังหรือไม่ฟังก็สุดแท้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทราบว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจใดู ถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะไม่มีทางรู้สึกอะไรมันโลกนี้มันก็ไม่มีเท่านั้นมันก็มีค่าท้ากว่าโลกนี้มันไม่มีถ้าคนเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจสําหรับรู้เรื่องทางตาทา ง, ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่พาะมีตาหูจม <ot> ูกลิ้นกายใจมันก็มีสิ่งที่จะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจขั้นมากระทบเขาแล้วนั่นก็มีผล ของการกระทบออกมาเป็นความรู้แจ้งว่าอะไรเป็นอะไรรู้แจ้งทางตารู้แจ้งทางหูรู้แจ้งทางจามูกรู้แจ้งทางลิ้นทางกายทางใจว่าเป็นอะไรนี่เรียกว่าวิญญาณมันเกิดขึ้นแล้วเพราะการกระทบทางอายตนะอายตนะข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสปุพระธรรมารม์ มาถึงเข้ากันมาถึงกันเข้าเป็นคู่คู่กเกิดวิญญาณวิญญาณทางตาทางวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางคายนี่เมื่อสามพวกนี้ถึงกันอยู่ทำงานอยู่ก็เรียกว่าปัจจสัคือตารูกและวิญญาณทางตาถึงกันอยู่สามอย่างนี่เรียกว่าสัมผัสทางตา ที่ในขณะที่สัมผัสอยู่ทางตานั้นี่ยคนนั่นหรือสัตว์นั้นมันไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยเ อ, อมันก็หลงไปตามสัมผัสนั้นอ่อมันเป็นสัมผัสที่ไม่มีสติปัญญาเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้มาแต่ในท้องแล้วไม่ได้ศึกษาเลยมันก็ปล่อยไปตามความไม่รู้มันก็เกิดเวทนา ที่จะทําให้รู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยเฉยนี่ก็เวทน า, าเวทนาอย่างนี้ก็คือเวทนาโง่ทําไมเรียกว่าโง่ต้องไปเที่ยวพอใจในสิ่งที่หลอกให้พอใจไปเที่ยไม่พอใจในสิ่งที่หลอกให้ไม่พอใจหรือเฉยเฉยในสิ่งที่ยังไม่รู้จะเอาอะไรนี่ก็เรียกว่าเวทนาด้วยเหมือนกันนี่เป็เวทนาโง่เวทนาที่ไม่มีสติปัญญา ทีนี่เวทนานี้มันทำให้เกิดความอยากง่ความอยากด้วยความง่ความอยากด้วยอำนาจความง่ที่เรียกว่าตันหาถ้าถ้าถ้าถ้าเป็นที่พอใจมันก็อยากเอาอยากมีอยากได้อยากเป็นถ้าไม่เป็นที่พอใจมันก็อยากจะฆ่าเสียอยากจะทำลายเสียเนี่ยความอยากที่งู่เรียกว่าตันหามันก็อยากในสิ่งที่ รู้สึกตามความรู้สึกเนี่ยเรียกว่าตัณหาหรือความอยากพอมีความรู้สึกอยากตามธรรมชาติแต่นั่นแหละความรู้สึกว่าตัวกูผู้อยากมันเกิดตามขึ้นมาเองตามธรรมชาติจึงรู้สึกว่ากู้ผู้อยากหรือผู้อยากอยากได้อยากจะมีอยากจะฆ่ามันเสียอยากจะไม่มีอะไรก็นนาตาม นี่เีกวก็ยึดมัน่นถือมันเป็นตัวครูเป็นของกูแล้ว ก, ก็มันหนักอยู่ในปัญหาแห่งตัวครูของกูคนทุกข์ทรมานอยู่ในสิ่งนั้นขยายความออกไปก็คือว่ามันมีอุปาทานว่าตัวตนว่าของตนอยากได้มาเป็นของตนมีความคิดในจิตชนิดนี้ก็เรียกว่ามันเกิดเป็นคนขึ้นมาแล้วโดยความคิดเท่านั้นจพบว่าชาติเนี่ยโดยความคิด พอมีความรู้สึกเป็นตัวตนตัวตนอะไรขึ้นมาแล้วมันโง่งที่สุดแล้วอะไรนั้นมันก็ใจเป็นของตนในสิ่งที่มันมันพอใจที่มันไม่พอใจมันก็อยากให้ทำลายไปเสียให้ผ่านพ้นไปเสียให้ข่าเสียอะไรเสียและสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติมันเอามาเป็นของตนเช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นตน้นของธรรมชาติมันเอามาเป็นของตนจนได้เป็นทุกข์ ความทุกข์เกิดมีขึ้นมาเพราะมีความยึดถือว่าตัวตนถ้าจะไม่มีความทุกข์เลยต้องไม่มีความยึดถืออย่างนี้ทำอย่างไรจึงจะไม่มีนั่นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้รู้เท่าทันตาหูจมูกดินกายใจวิญญาณรู้เท่าทันผัสสะย้ายผัสสะมันโง่ให้มีสติสัมปชัญญะมีวิชามาในขณะที่ผัสสะ อันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องศึกษาวิปัสสนากรรมฐานฝึกให้มีสติให้มีวิชาให้มากๆมา้มันมาทันเวลาที่มีผัสสะผัสสะฉลาดแล้วก็เวทนามันก็ฉลาดมันก็ไม่เกิดความอยากที่โง่เกล้าคือตัณหามันไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดตัวกูของกูมันก็ไม่มีความทุกข์มันเดินกันคนละทาง ทางหนึ่งมันเดินไปด้วยความโง่มันก็ต้องเป็นทุกข์ทางหนึ่งมันเดินไปด้วยปัญญาหรือความฉลาดมันก็ไม่เป็นทุกข์มันมีเท่านี้มจะทำได้หรือไม่ได้นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคนโดยมากไม่ต้องการเพราะอยากอยู่กับความทุกข์อยากแลกเอาด้วยความทุกข์แลกเอาด้วยแลกความอร่อยเอาด้วยความทนทุกข์อย่างที่เป็นเป็นกันอยู่ไม่ต้องพูด อยากแลกเอาสิ่งที่น่ารักน่าพอใจด้วยความทนทุกข์มันก็สมัครที่จะเป็นทุกข์มันก็เป็นอย่างนี้กันทั้งโลกถ้าไม่ต้องการจะเป็นทุกข์มันก็ต้องทำอย่างตรงกันข้ามนั่นแหะทอย่างพระพุทธเจ้าแนะ่ะทำให้ตรงตามความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ขึ้นมาเหมือนนั่งกลางดินเหมือนั่งกันอยู่กับธรรมชาติท่านรู้ก่นเอาชนะความทุกข์ได้ ถ้าปฏิบัติได้ตามนี้จะไม่มีความทุกข์เลยจนกว่าจนตายฮะไอที่เป็นทุกข์มาแล้วแต่คนหลังตั้งแต่เป็นเด็กโง่โงมาจนมาบัตรนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่รู้แต่ต่อไปนี้มันจะรู้แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ยิ่งขึ้นแล้วจนไม่เป็นทุกข์เลยจนตลอดชีวิตรู้จักดํารงชีวิตชนิดที่ไม่ไม่เกิดความยึดมั่นถือมัน่นดำรงจิตไวในทางสายกลาง คำว่าทางสายกลางนี่ก็เหมือนกันแหละไม่ใช่เป็นเรื่องเอเป็นคําสี่เอาไปหัวเราะย่อไปล้อกันเล่นเป็นเรื่องของวัดวะอารามชั้นไม่ต้องการ <c oughs> ไอ้ทางสายกลางนีมน่มันมันเพราะมันรู้ ว, ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอย่างไร <c oughs> มันก็ไม่หลงรักเลยหลงเกลียดนั่นมันอยู่ตรงกลางนี่ ทางซ้ายกลางอย่างนี้พวกคุณอาจจะไม่เคยได้ยินคำอธิบายอย่างนี้ก็ได้คุณคงจะเคยยินแต่เพียงว่าอัตตากรามสุขันลิกานุโยกอัตตากริลมัานุโยกอย่างนี้ก็ได้ก็ได้เหมือนกันแต่จับใจความให้ถูกเนะื้อกามสุขันธิกานุโยกนะเพราะมันไปหลงรักไอ้ที่มันน่ารักอถ้าไม่เกิดไอ้ทำลงไหลอัตตากริกกลมัานุโยกนะั้ทรมานตนให้ลําบากเพราะมันไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายสุด ที่ตรงกันข้ามฝ่ายนี้มันชอบอย่างนั้นมันชอบความทุกข์อย่างนั้นก็มีอุปมาอีกอย่างเรียกว่าทุกข์ความทุกข์เปียกคือกามกามารมณ์เป็นความทุกข์ชนิดเปียกแล้วความทนทรมานกายลำบากนี่เป็นความทุกข์อย่างไม่เกรียม อย่าให้เปียกและอย่าให้ไหม้เกรียมนั่นแะอยู่ตรงกลางพูดอย่างนี้ฟังยากเอาเอ า, เอาธรรมดาธรรมดา ง, ง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าให้อยู่ตรงกลางระวางกลางพูดอย่างวิทยาศาสตร์จักหน่อยก็คือไม่โพสิตรีไม่เนกตติฟแต่อยู่ตรงกลางไม่เป็นความรักหรือไม่เป็นความชังนี่เลยๆทุก คู่ทุกคู่ที่เรียกว่ามันเป็นคู่ตรงกันข้ามเช่นว่าแพกับชนะนี่มันเป็นคําคู่คู่หนึ่งเราไม่อยู่แพหรือไม่อยู่ชนะแต่อยู่ตรงกลางคาว่าขาดทุนหรือกําไรนี่มันก็เป็นคําคู่คู่หนึ่งเราไม่ขาดทุนไม่กําไรแต่อยู่ตรงกลาง จนกระทั้งวันละอียดสูงสุดขึ้นไปว่าไม่ดีไม่ชั่วไม่ไม่เอาทั้งดีไม่เอาทั้งชั่วแต่อยู่ตรงกลางคือไม่สุขไม่ทุกข์แต่อยู่ตรงกลางไม่บุญไม่บาปแต่อยู่ตรงกลางคือไม่ยึดมั่นถือมั่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้มันเป็นตัวตนขึ้นมามีจิตใจอยู่ตรงกลางเนี่ยก็เรียกว่าจิตมันว่างมันไม่ยึดถือสิ่งใดไว้ ไม่เกาะกลุมกอดรัดสิ่งใดไว้โดยความเป็นตัวตนของตนนั่นคำว่าว่างอะไรเป็นคำกลางที่สุดนอกจากคำว่าว่างแล้วมันก็มีคำเป็นสองความหมายไม่เป็นโพสิตรีบก็เป็นนักตีบถ้ามันไม่มีทั้งสองฝ่ายนี้มันจึงว่างนั่นความดับทุกข์มันจึงอยู่ที่เข้าถึงความว่าง ไม่ยึดมัน่นถือมั่นสิ่งใดใดโดยความเป็นของตนนี่เรื่องมันมีอยู่อย่างนี้จะทำได้หรือไม่ได้จะชอบหรือจะไม่ชอบแต่แล้วมันก็คงจะน่าหัวที่ว่าจะลงทุนศึกษาพุทธศาสนากันทำไมในบางคุณบางทีก็จะยังอยู่ในระดับที่ว่าชอบชอบดีไม่ชอบชั่วแต่ยังชอบดีเอาก็แบกดีไป จนกว่าจะไม่เอาทั้งชั่วทั้งดีจึงจะอยู่ตรงกลางจึงจะไม่เป็นทุกข์เลยถ้ายังไปเกี่ยวข้องกับชั่วและดีอยู่ยังจะต้องเป็นทุกข์ไปตามแบบของมันทั้นที่ว่าจะไม่เป็นทุกข์เลยนะไม่มีความทุกข์เลยต้องอยู่เหนือความหมายที่เป็นคู่คู่คู่คู่เรานี่หมดอคือไม่ได้ไม่เสียไม่แพ้ไม่ชนะไม่ขาดทุนไม่กําไรไม่ ดีไม่เชื่อไม่บุญไม่บาปไม่สุขไม่ทุกข์กระทั่งว่าไม่ไม่มีความเป็นหญิงไม่มีความเป็นชายอะไรเหล่านี้ทั้งหมดเลยทุกคู่ทุกคู่เลื <c oughs> ่องจิตมันไม่มีความทุกข์เลยเป็นอิสระเป็นพระอาหารหันต์มันมากเกินไปลดลงมาเป็นชาวบ้านแค่ <c oughs> แต่คอยมีความทุกข์น้อย ให้มีสติสมบูรณ์ไม่หลงรักหลงเกลียดเท่านั้นละพอมันจะมีความทุกข์น้อยมีสติคอยระวังตนอยู่เสมอไม่หลงรักในสิ่งที่ยั่วให้รักไม่หลงเกลียดในสิ่งที่ยั่วให้เกลียดไม่โกรธไม่กลัวไม่ทุกอย่างที่มันเป็นในความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี่จีกว่าไม่มีความทุกข์เลย มันก็หมดแหละมันมีทางนั้นแหะโดยใจความทีนี้ก็มาถึงข้อที่ว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งมีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์เลยแล้วกลายเป็นคนมีประโยชน์อย่างยิ่งข้อ น, นี้มันหมายความถึงว่าผู้ที่ไม่มีปาทานยึดมั่นถือมั่นตัวตนของตนมันไม่มีความเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้เรากำลังมีจิตชนิดที่เห็นแก่ตัวมันก็รักตัว หรือรักสิ่งที่จะได้มาเป็นประโยชน์ของตัวที่เรียกว่ารักชาติรักโกหกทั้งนั้นหละมันหวังจะเอาชาติเป็นประโยชน์ของตัวมันจึงได้รักชาติมันไม่ได้รักโดยแท้จริงหรือมันไม่ได้รักพ่อแม่หรือไม่รักอะไรโดยแท้จริงนอกจากหวังว่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นมันจึงรักที่เพราะมันมีเห็นแก่ตัวในจิตใจมันเต็มอยู่ในความเห็นแก่ตัวพอไม่มีความเห็นแก่ตัวที่มันจึงจะรักจริงเพราะมันไม่มีตัวที่จะเห็นแก่ตัว มันจึงสามันจะรักผู้อื่นได้รักบิดามานันดารักรักรักได้รักไปทั้งได้ทั้งหมดนลยเมือม่อเมื่อเมื่อมันรักผู้อื่นได้โดยอัตโนมัติอย่างใหญ่หลวงอย่างนี้มันก็ทําประโยชน์ผู้อื่นนะ่ะไม่ต้องสงสัยมันจะเคลื่อนไหวในทางที่เป็นประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่นเรามันมันมีความเห็นไม่มีความเห็นแก่กตัวนี่ไอ้คนเห็นแก่ตัว<ๆ>มันยังคิดว่านอนจะดีกว่าจะไปทําประโยชน์คนอื่นให้เหนื่อยทําไมมันยังคิดว่านอนจะดีกว่า เรื่องคนขี้เกียจังเป็นเรื่องคนเห็นแก่ตัวถ้ามันไม่มีความเห็นแก่ตัวมันก็สนุกในการทำงานที่เป็นประโยชน์นั้วก็ทำประโยชน์ทุกเวลานาทีตัวเองไม่มีความทุกข์แล้วเป็นคนมีประโยชน์แก่ทุกคนและทุกฝ่ายนีย่เรื่องมันจบเนี่ยก็ภายพูดอย่างหยาบคายให้มันประหยัดเวลา พูดสั้นๆตรงๆนะถ้าพูดอย่างเทศบนธรรมะ ม, มันก็พูดอย่างอื่นนะเดี๋ยวนี่มันพูดตรงๆพูดประหยัดเวลาฮเพราะว่ามันมีเวลาน้อยก็เพราะว่าท่านทั้งหลายเห็นว่ามัใช่เรื่องสําคัญไม่อยากให้เวลาจัดเวลาให้ศึกษาธรร ม, มานิดเดียวเลยแต่จัดเวลาท่านเราอย่างอื่นจะมากมาย มันก็จึงต้องลัดนะพูดลัดพูดสั้นพูดอะไรกันบ้างก็เขาให้จําไปเถอะเมื่อเดี๋ยวนี้นั่งกลางดิ น, นเพราะว่าธรรมะเกิดมาจากดินศาสนาเกิดขึ้นมาจากการที่พระพุทธเจ้าท่านนั่งกลางดินแล้วท่านรู้เรื่องทุกเรื่องที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติท่านก็มาสอนเรื่องธรรมชาติเรื่องโกธของธรรมชาติ เรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรื่องผล เ, เกิดจากหน้าที่ซึ่งทําให้กล่าวได้ว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องสี่ความหมายนี่พระไตรปิฎกทั้งหมดแล้วไม่มีเรื่องอะไรเรื่องธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรื่องผลเกิดจากหน้าที่เอาละเป็นว่าคงจะชอบดิ้นกันขึ้นบ้างนะทีนี้ท <c oughs> อไปนี้ คงจะชอบดินกันกันบ้างชอบนั่งกลางดินกันกันบ้างดินมันจะได้พูดกรอกหูให้ว่าอย่าลหลงไหลกันไปนักอย่าโลภมากนักอย่าโ ก, กรธมากนักนแผ่นดินมันจะพูดอย่างนั้นต้นไม้จะพูดอย่างนั้นก้อนหินมันจะพูดอย่างนั้นแต่ถ้าไปในสถานที่เริงรมไม่มีใครพูดอย่างนี้เขาจะพูดแต่มันลหลงไหลมากขึ้นเมื่อชอบธรรมชาติคือชอบไป ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งเป็นตัวเองเนื้อตัวของเราเป็นธรมนธรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นผลที่ทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติทั้งเนื้อทั้งตัวมันมีอยู่นี่สี่อย่างนี้มันก็จะได้จเจริญงอกงามเต็มที่เลือดเนื้อโลหิตกระดูกนี่เป็นตัวธรรมชาติแล้วกฎของธรรมชาติที่ว่า อวัยวะนั้นต้องทําอย่างนั้นอวัยวะนี้ต้องทําอย่างนี้อวัยวะนี้ต้องขยายอย่างนี้ต้องหดอย่างนี้มันกดของธรรมชาตินั่นคมีการทําหน้าที่ของอวัยวะทุกอวัยวะกระตั้งของคนทั้งคนทั้งหมดทั้งคนนี่คืหน้าที่จะทำโกดของธรรมชาติแล้วก็มีผลเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ที่เนื้อที่ตัวนี่เรียกว่าสี่ความหมายนั้นมันมีอยู่ในตัวคนทุกคน ทุกคนจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วไม่มีความทุกข์มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็เป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าถ้าจิตนันสูงขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วมันไม่มีความเห็นแก่ตัว จึงเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดเป็นศัตรูร้ายกาจที่สุดของมนุษย์ยความเห็นแก่ตัวมันก็เป็นการเห็นแก่ผู้อื่นโดยอัตโนมัติเองความเห็นแก่ตัวมันดึงไว้ไม่รักผู้อื่นไม่เห็นแก่ผู้อื่นพอความเห็นแก่ตัวหมดไปมันก็รักผู้อื่นเห็นแก่ผู้อื่นโดยอัตโนมัติมันก็ทาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกัน <c oughs> อยากจะ พูดว่าแม่แต่สัญชาติญาณบางอย่างที่มันถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องการจะช่วยผู้อื่นแต่ถ้าสัญชาติญาณนั้นมันถูกครอบงำเสียด้วยกิเลสด้วยแล้วมันก็ไ ม, ไม่ไม่ทำก็มีแม้เราจะเห็นได้ว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานนี่แนะมันมีการช่วยซึ่งกันและกัน สัตว์เดรัจฉานมีความยึดมั่นถือมั่นน้อยเพราะมันโง่มันยึดถือไม่เป็นดังนั้นมันจึงมีความเห็นแก่ตัวน้อยน่ะสัตว์เดรัจฉานมันจึงช่วยผู้อื่นถ้าไกาตัวหนึ่งเห็บจิ ก, กเอเห็บเกาะ อ, อยู่ที่งอนมันไปก้มห้อยก่ยตัวหนึ่งจิกคุณไม่เคยเลี้ยงกาคุณไม่เคยเห็นแต่ที่นี่เราเห็นทุกวันท่า น, นก่ทุกตัวไม่มีเห็บที่งอนมันจิกเองไม่ได้หรอแต่มันมี กายตัวอื่นจะคอยจิกให้แม้แต่สันนไดรัฉานที่มีความเห็นแก่ตัวน้อยมันก็ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นในขนาดนี้แหละเพราะนั้นเรากำจัดศัดตรูไร้กาศที่สุดของมนุษย์คือความเห็นแก่ตัวแล้วโลกนี้จะมีสันติภาพอย่าไปสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนจะเชนอะกันให้มากนะักย สนใจเรื่องความเห็นแก่ตัวเนี่ยความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยให้มันมากกหน่อยเถอะมันจะเข้ารูปเข้ารอยกับธรรมชาติมันจะเป็นไฟเพื่อความสลายออกไปแห่งเอะกิเลสจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ไม่มีความทุกข์สบายไม่มีความทุกข์พร้อมที่จะช่วยผู้อื่นนี่เป็นโลกภาษีอารยเมตไทร ตามแบบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่โลกภสษีอาญาเมตดไตราตามแบบของพวกหัวซ้ายหรือฝ่ายซ้ายนะฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็มีโลกอะไรโลกภาษีอาญยเมตดไตรเหมือนกันที่เขาพูดกันแต่เป็นคนละอย่างเลยนะ <S <S 1> <S 1> โลกภสษีอาราเมตดไตรของการเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกของตัวนั่นมันก็มีอย่างเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นโลกภสษีอาราเมตดไตร ของพุทธศาสนาก็คือไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความทุกข์เพราะความเห็นแก่ตัวแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นของสนุกไปเลยโลกนี่คือโลกที่ <c oughs> ควรจะอยู่ในเป้าหมายเดีย๋ยวนี้คนในโลกไม่ได้มีเป้าหมายอย่างนี้แม้แต่องค์การสหประชาชาติก็จะไม่เคยนึกฝันถึงเรื่องนี้แ ต, แต่อย่าพูดมากไปเลยมันจะเป็นการกล่าว คำดูหมิ่นผู้อื่นมากนะจะพูดแต่เพียงว่าคนในโลกแม่องค์การที่มีสติปัญญามีกำลังมีอำนาจก็ไม่เคยนึกถึงสึ่งนี้คือจะทำลายความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ให้หมดไปาจากโลกนั่นแลละพูดมาพอทสงควรแล้วตามโอกาส ที่มีเนี่ข อ, อแสดงความยินดีที่ได้มานั่งกลางดินพูดกันแล้วขอขอบคุณทุกคนที่สนใจฟัง